ธรรมนะน่ะฟังอย่างเดียวนะมันไม่ได้นะต้องปฏิบัติถ้าต้องการแค่ได้บุญก็ปฏิบัติไพอย่างหนึง่งต้องการจะถูกน้อยๆก็ทำได้อย่างหนึง่งต้องทำไปอีกแบบต้องการจะพ้นทุกข์จริงๆต้องฝึกกันอีกหนักกว่านั้น บางคนคิดว่ามันนั่งฟังหลวงพ่อพูดแล้ววันหนึ่งนะได้ยินเรียกวักทองประโยควิเศษเหมาะสมกับเราฟังปุ๊บมันรู้ปั๊บไม่ต้องภาวนานี่เป็นความคิดที่เลวไหลมันไม่มีอะไรเกินกฎแห่งกรรมไปได้กระทั่งการปฏิบัติธรรมก็อยู่ใต้กฎแห่งกรรมนั่นแหละ ใครทํายังไงก็ได้ผลอย่างนั้นเข้าวัดมาทําบุญทําทานอะไรก็มีผลของบุญของทานเข้าวัดมาตั้งใจรักษาศีลมันก็มีบุญมีผลของศีลเข้าวัดมาหวางังจะฝึกสมาธิมันก็ไปอีกแบบหนึ่งได้ความสุขได้ความสงบไป อยากได้มรรคผลนิพพานมันต้องฝึกอีกอย่างหนึ่งทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดมีเวลาว่างก็ทะเลทรายไม่ใช่วิสัยที่จะบรรลุมรรคผลได้ถ้าเราอยากได้อะไรเราถามตัวเองก่อนเข้ามาวัดนี่มาเพื่ออะไร บางคนนะมาหาแฟนนะผู้หญิงก็มาดูผู้ชายที่มาดูพระเลือกองนี้หน้าตาดูได้อะไรงี้ผู้ชายบางองค์คนก็มาดูผู้หญิงมาเลือกนี่เรียกว่าเข้าวัดมาหาผัวหาเมียครูบาอาจารย์ท่านเรียกนี้นแต่ไม่ได้แมมก็มีคนได้เหมือนกัน แต่มันจะเอาอะไรนักหนามันตื้นเกินไปธรรมะของพระพุทธเจ้าดีกว่านั้นวิเศษกว่านั้นเยอะเข้ามาหาเลขหาเบอร์หาหวยหวังว่าจะเฮงหวังว่าจะรวยขี้เียดทามหากินจะรวยไปได้ไง หวังรวยจากการพนันถ้าเราเป็นนักคณิตศาสตร์เราก็จะรู้การพนันนั้นถูกเซตมาที่เจ้ามือจะต้องกำไรไ ม, มาหาหวยหาเบอร์อลยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่มาหาแฟนหนื่มาหาทาบุญอุทิ ให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทาบุญอุทิศให้คนตายเขาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่สถานภาพของเขาถ้าเขาเป็นเปรตที่ผูกเหมือนใกล้เคียงมนษษุษย์เขาก็รับได้ยิ่งไปเกิดเป็นหมาอย่างเียเราทำบุญให้มันไม่เอาหรอกมันเอาไม่ได้ไปเกิดเป็นคน ไ่เกิดเป็นเด็กร้องแว้ แ, วแว้เราอุทิศส่วนบุญให้มันก็ไม่ถึงมันไม่ใช่ภูมิที่จะได้รับหรือไปตกนรกอยู่นะมันก็ไม่ได้รับไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมมันเกินระดับที่จะรับส่วนบุญเทวดาพรหมเวล่ะนี้เขาได้บุญด้วยการอนุโมทนาบุญที่พวกเราทำนะเขาเขาเกิดบุญของเขาเอง งันอย่างเรามาทำบุญอุทิศให้คนตายอะไรย่างน้มันก็ยังไม่แน่นอนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ที่ได้ก็คือตัวเองได้ตัวเองได้ตั้งแต่ตัวเองทำบุญแล้วคิดจะทำมันก็เริ่มได้บุญละระหว่างทำก็ได้บุญทำเสร็จแล้วนึกถึงแล้วอิ่มอกอิ่ ม, มใจให้มามันก็ได้บุญ ที่ได้แน่นอนคือตัวเราเองนะส่วนคนที่ตายแล้วจะได้ไม่ได้ยังไม่แน่พระก็ไม่ใช่ไพรสเนนะ่ไม่ใช่คือรี่ไม่ได้รับส่งอย่างนั้นบางพวกก็เข้าวัดมานะหวังอยากพ้นทุกข์อกหักรักคุดมาเข้าวัดมานั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระอนะไรเงี้ยสักพักหนึ่งสบายใจ พอใจแล้วกลับบ้านมันก็แค่ได้สบายใจแต่มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้สอนพวกเรานะแค่ทำบุญทำทานแค่ถือศีลแค่นั่งสมาธิทำความสงบอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มค่าที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธถ้าเราจะคุ้มค่าจริงๆเราต้องเรียนให้ได้คำสอนของพระเจ้าจริงๆ คำสอนของพระพุทเจ้านั้นมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเป็นไปเพื่อความพ้นทุก์เป็นไปเพื่อความดับสนิทแห่งทุกท่านใช้คำอย่างนี้ดับสนิทแห่งทุกแต่เวลาเราภาวนา จ, จริงนะมันมันพ้นทุกก่อนแล้วมันดับสนิทแห่งทุกที่หลังตอนที่ใจเราพ้นทุกนะั้น ตอนที่บรรลุพระอรหันต์เรียกบรรลุถึงสัพปาที่เสส น, น, นิพานนิพานที่มีขันเหลือความทุกข์ยังมีอยู่แต่ใจมันพ้นทุกข์ใจมันไม่ทุกข์ไปด้วยความทุกข์ก็คือตัวขันห้ามยังมีอยู่ขั้นสูงสุดนะดับความดับสนิทแห่งทุกข์อ น, นั้นเป็นการที่บรรลุถึง พวกเราอยเรียกว่านิพานนะจริงมันคืออนุปาทิเศ ส, สนิพานนิพานที่ไม่มีขันเหลืออยู่ น, นเป็นความดับขันดับขันก็คือดับทุกยังมีขันอยู่แต่จิตไม่ยึดถือขันจิตมันก็พนก้นทุกนันนิพานตรงนี้มีสองชนิดนิพานที่มีขันเหลืออยู่กับนิพานที่สิ้นขัน ขั้นแรกเราก็ทำให้ได้ก่อนยังมีขันอยู่นะบรรลุพระอหันจิตมันหมดความยึดถือในขันในขันในรูปในเวทนารูปคือร่างกายเราเนี้ยเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจําได้ความหมายรู้สองงานนี้ก็ไม่เหมือนนะจําได้กับหมายรู้ แต่ว่ายังไม่ต้องเรียนมากเรียนเยอะเรียนหัวสัญญาเข้าใจยากถ้าพลาดพลังเนี่ยเพี้ยนเอาง่ายๆยรือสังขารความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยก็พ้นจากสังขารวิญญาณตัวจิต ที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ยึดถือมันไปดูก็สักแต่ว่าดูไปฟังก็สักแต่ว่าฟังไปดมกลิ่นก็สักแต่ว่าดมกลิ่นไปลิ้มรสก็สักแต่ว่าลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายก็สักแต่ว่ารู้สัมผัสทางกายมีอารมณ์ทางใจเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ารู้ว่าเห็นไม่เข้าไปยึดถือไม่ยึดถือจิตใจตนเอง ถ้าทาได้อย่างนี้ก็ไม่ถูกแล้ว mm. ความทุกข์อยู่ที่ตัวขันมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราตัวจิตไม่มีตัวจิ ต, ต, จตที่มันพ้นละไม่มีแต่จิตที่เกิดดับทงางทะวัลทั้งหกนั้นยังทุกข์อยู่มาเรียนธรรมะเรียนให้มันได้แก่นเราเป็นชาวพุทธ สิ่งที่เราต้องการก็คือความพ้นทุกข์และความดับสนิทแห่งทุกข์การที่จะพ้นทุกข์ไดนะ้ก็ต้องรู้ก่อนว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรความทุกข์มันเกิดจากตัณหาความอยากเวลาเราอยากอะไรขึ้นมานะใจมันก็ทุกข์ทุกทีแหละ กรทั้งอยากปฏิบัติใจก็ดิ้นรนปฏิบัติตรงที่ใจดิ้นรนแล้วเรียกว่าภพมีตัณหาเป็นผู้สร้างภพมีภพก็มีชาติมันมีตัวเราขึ้นมามีชาติขึ้นมามันก็นมีทุกมันเรียงกันอยู่ในปฏิจจสมุป บ, บาทนะั่นแหละไม่ยากนะฟังแล้วยากแต่ว่าลงมือทำจริงไม่ยากหรอก เราก็ดูต่อไปความอยากมันเกิดมารู้ไหมถ้าความอยากใดๆเกิดขึ้นเราเห็นความอยากมันดับความดิ้นรนตรุงแต่งของจิตมันก็ไม่เกิดจิตมันไม่ดิ้นรนปรุงแต่งจิตมันก็ไม่ทุกข์ก็แค่นั้นเองแล้วหันใหม่ๆนนะง่ายๆเลยใจเราอยากขึ้นมาทีไรรู้ทุกทีใจมันอยากเราก็รู้ใจเราอยากก็รู้ฝึกตัวนี้ให้มากๆ พอทำได้ไหมรู้ว่าใจอยากเนยอยากจองอยู่วัดรู้ว่าอยากเรารีบจองเนะพราะสมควรจะมาฟังธรรมที่วัดเราก็ต้องจองตอนมาฟังธรรมนะอยากฟังก็รู้ฟังแล้วงงเบื่อแล้วอยากกลับบ้านแล้วอยากไปเที่ยวแล้ว ก็รู้ว่าอยากหรือจะกินข้าวเห็นอาหารหลายอย่างอยากกินอันนี้ยรู้ว่าอยากรู้ทันความอยากของตัวเองไปเรื่อยนะัเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆอันนี้ทันทีที่เรารู้ทันใจที่อยากนะั้นความอยากมันจะดับอัตโนมัติพอความอยากมันดับความดิ้นรนของจิตมันก็ดับ ความิดิ้นรนของจิตดับความทุกข์ของจิตมันก็ไม่เกิดนะมันอย่างดิ้นรนอยู่ก็ทุกข์อยู่ไม่ดิ้นอยู่ไม่ทุกข์หรอกองันขั้นแรกเนี่ยให้เรารู้ทันใจที่อยากอยากอะไรขึ้นมาก็รู้อยากอะไรขึ้นมาก็รู้ฝึกรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆอยากฟังธรรมก็รู้อยากกลับบ้านก็รู้นะอยากกินก็รู้อยากนอนก็รู้ อยากมีแฟนก็รู้อยากรวยก็รู้อยากอะไรขึ้นมารู้ไปเรื่อยๆความอยากนับจำนวนไม่ถ้วนมีเยอะแยะแล้วแต่จะอยากแต่ถ้าย่อลงมานะมันก็มีความอยากจะเห็นรูปความอยากได้ยินเสียงความอยากได้กลิ่นความอยากได้รสความอยากได้สัมผัสทางกายความอยากที่จะได้อารมณ์ทางใจ ตรงที่เราอยากได้อารมณ์ที่ดีคือรูปที่ดีเสียงที่ดีกลิ่นที่ดีรสที่ดีสัมผัสที่ดีอยากได้สิ่งเหล่านี้มาคิดว่ามันนำความสุขมาให้อยากอันนี้เรียกว่ากลรมมติหาอยากได้อารมณ์ที่ดีที่ถูกอถูกใจพอเราได้อารมณ์ที่ดีที่ถูกอถูกใจมาแล้วสมอยาก ก็ไดอารมณ์ที่ดีมาเราก็อยากอีกแล้วอยากรักษาไว้พวกเราเคยมีใครเคยรู้สึกไหมอย่างสัวเรามีแฟนแล้วเนี่ยหรือเราแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเราอยากให้ความรักของเรายั่งยืนตลอดไปสามีไม่ทิ้งภรรยาไม่ทิ้งเลยนะี้เคยอยากไหมอยากให้ลูกอยู่กับเราไปเรื่อยๆอยากไหม มีใครอยากให้ลูกตายบ้างมีไหมอาจจะมีนะแต่ว่าหายากหน่อยแต่มีอยู่มันก็แม่มันก็ฆ่าลูกมันยุคนี้ก็มีเยอะแยะไปอย่างท้องขึ้นมาก็ไปทําแท้งนี่ก็ไปฆ่าลูกมะนะันละอยากให้มันตายอยากให้ได้มาเรียกว่าการาตัณหาอยากให้สิ่งที่พอใจนั้นคงอยู่เรียกว่าภาวะตัณหา อยากให้สิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นหมดไปสิ้นไปนะเรียกว่าวิภวะตัณหาดังน้นความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายในอารมณ์ทางใจในหกช่องทางเนี่ยแต่ละช่องทางมันมีสามลักษณะอยากอยากเห็นรูปอยากรักษารูปที่ได้มาแล้วนะถูก อ, อกถูกใจอยากให้รูปที่ไม่ชอบใจหายไป เสียงกลิ่นรสโภทภะธรรมารมณ์ก็มีอย่างละสามอย่างละสามเหมือนกันสามคูณหกได้สิบแปดนัญหามีเยอะนะแถ้าสอยย่อยๆออกไปอีกมีเยอะแยะเลยซึ่งมันเกินจำเป็นสำหรับนักปฏิบัติพอเราเป็นนักปฏิบัตินะเราก็แค่คอยรู้ทันมันอยากดูเราก็รู้พอมันดูแล้วมันอยากให้รูปนี้คงอยู่เราก็รู้ มันอยากให้รูปนี้หายไปเราก็รู้มันอยากฟังเสียงเราก็รู้มันอยากให้เสียงอันนี้คงอยู่นานๆเราก็รู้มันอยากให้เสียงอันนี้หมดไปสิ้นไปเราก็รู้มันอยากได้ความสุขในใจมีอารมณ์ที่มีความสุขในใจเราก็รู้พอสุขในใจแล้วอยากให้ความสุขนี้อยู่ตลอดไปเราก็รู้พอเบื่อมามีความสุขนานๆก็เบื่อนะ อยากให้มันหมดไปอยากไปหาอย่างอื่นแล้วความสุขนี้ไม่เอาแล้วไม่สุขแล้วอยากให้สิ้นไปเนี่ยเลขกลมาารยาของตัณหาเราก็ทำงานอย่างนี้แหละคอยรู้ทันมันครูบาอาจารย์ท่านก็บอกนะว่ากิเลสมันเก่งหรอกกิเลตัณหาตัณหามันก็เป็นกิเลสอย่างนั้นกิเลตัณหามันเก่งจริงคลองโลกได้ แต่มันไม่พ้นอำนาจของสติปัญญาไปได้อาศัยสติอาศัยปัญญานี่แหละเธอก็จะชนะกิเลสชนะตัณหาได้ตอนนี้ยังไม่ชนะให้มันผลัดกันแพ้ผลักันชนะก็ยังดีคนในโลกไม่เคยภาวนาเนี่ยมันแพ้ตัณหาตลอดเวลามันเป็นที่ฆ่าของตัณหามันเป็นทาตของตัณหามันไม่รู้ตัวเลยว่ามันเป็นทาตอยู่ พอเรามาเริ่มภาวนาเราจะรู้เลยตัณหานี่มันสั่งเราทั้งวันเลยสั่งให้ไปทำโน่นสั่งให้ไปทํานี่สั่งว่าอย่าทํามันนั้นสั่งว่าอย่าทํามันนี้มันสั่งเราตลอดเวลาสั่งให้แสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจสั่งให้รักษาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจไว้นะสั่งให้ขับไล่อารมณ์ที่ไม่พอใจมันสั่งเราตลอดเวลานะก็คนในโลกนี้ถูกตัณหาสั่งอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลย ก็าตามใจมันไปเรื่อยๆสนองมันไปเรื่อยๆซึ่อมันไม่มีที่สิ้นสุดมันอยากอย่างนี้พอได้มานะมันก็ไปอ ย, อยากอย่างอื่นต่อไม่มีวันจบมันสิ้นพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าห้วงน้านะเสมอด้วยตัณหาเนี่ยไม่มีเหมือนใหญ่กว่ามหาสมุทรเองนะเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มมันหิวตลอด นี่เราจะสู้กับตันหาด้วยการสนองตันหาอย่างที่ชาวโลกเขาทานะทําไม่ได้อย่างหมาใช่ไหมถึงฤดูติดสัตว์นะมันก็อยากผสมพันธุ์พอมันไปผสมพันธุ์มันต้องไปกัดแกะตัวโน้นตัวนี้นะสู้ตายเลยบาดเจ็บร่องแรงผสมพันธุ์เสร็จแล้วมก็แยกย้ายไปนะ้เนี่ยสนองตันหาไปคิดว่ามีความสุขแต่มันเจือความทุกข์เข้าไปตั้งเยอะตั้งแยะ เราไปดูเธอเราอยากอะไรขึ้นมานะมันมีความทุกข์เจอือปนอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการจะสู้ตันหาด้วยการสนองตันหาเนี่ยไม่มีวันจบวันสิ้นบางคนก็สู้ตันหาด้วยการฝืนใจมันอยากกินไม่กินมันอยากดูไม่ดูมันอยากฟังไม่ฟังนะมันอยากได้กลิ่นก็นะไม่ดมมันหลีกเลี่ยงมันนะ กลัวจะติดในกลิ่นหอมกไปหาชี้ไก่มาวางไว้รอบห้องจะได้ไม่ได้กลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยฟืนมันทรมานมันใจมันมีตัณหามันอยากอย่างนี้ทำสิ่งที่ตรงข้ามไปมันไม่ได้ช่วยอะไรมันทำตัวเองให้ลำบากเฉยๆตัณหานะแอบหัวเราะอยู่ทีหลังสมว่าเราได้กลิ่นดอกไม้หอมๆ เรากลัวจะได้กลิ่นเดี๋ยวจะติดใจเป็นการติดในกามเราตัดดอกไม้ทิ้งไปหมดเลยนะหาขี้ไก่มาทิ้งไว้เต็มบ้านเลยตรงที่เราอยากตัดดอกไม้นั่นก็ตันหาแล้วนะตรงที่อยากได้ขี้ไก่เหม็นๆมาไว้ในบ้านนั่นก็ตันหานะงั้งนในที่จะสู้ตันหานนด้วยการฝืนมันเนี่ยในความจริงก็คือตกเป็นทาตมันไปอีกแบบหนึ่ง ใช้ไม่ได้จริงวิธีที่จะสู้กับตัณหาได้อาศัยสติอาศัยปัญญาของเรานี้แหละขั้นแรกใช้สติใจเรามีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันใช้มันมีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันจะอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้อารมณ์ทางใจที่ถูกอกถูกใจอะไรนี้ก็แค่รู้ว่ากําลังอยากอยู่ พอได้มาแล้วนะมันมีอยากต่ออยากต่อเนื่องมาได้แล้วสิ่งที่ชอบใจอยากให้มันคงอยู่รู้ว่าอยากมันไปได้อารมณ์มันอยากเห็นรูปสวยๆแต่มันไปเห็นของไม่สวยมันอยากให้ไม่เห็นอยากให้สิ้นไปหมดไปสิ้นไปรู้ว่าอยากเนี้ลีลาของมันนะรู้ทันมันไป ทีแรกมันอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้ผวทพะหรือสิ่งที่สัมผัสทางกายได้อารมณ์ทางใจที่พอใจพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันก็ได้อารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างถ้าได้อารมณ์ที่พอใจนะมันก็อยากใหม่สนองความอยากอันนึงนะอยากจะจีบสาวได้สาวมาแล้วถูกใจ อยากให้เขาเป็นแฟนเราตลอดไปอะไรเงี้ยมันก็มีความอยากอีกตัวหนึ่งซ้อนขึ้นมาอีกนะมันไม่มีวันจบวันสิ้นนะแต่อาศัยสติเนี่ยรู้ทันมันไปนเรื่อยมันอยากเห็นรูปรั้วอยากนีบางทีตาเรามีมีตามีรูปมีแสงสว่างมีจิตที่เกิดทางตาไม่ได้เจตนาจะเห็นรูปมันเห็นเองอย่างบางคนนะเวลารถชนกันเนี่ย อยากดูก็อยากดูนะรถชนได้ยินเขาพูดกันแววมาทางวิทยุนะในรถยนต์มีวิทยุเขาบอกว่าอุ้ยรถชนตรงนี้ตรงนี้มีคนตายทั้งหลายคนเนะ่รถก็ติดนะรถติดเราก็อยากดูนะดูบางคนกลัวนะกลัวเห็นศพนะดูตาเดียวสงวนตาหนึ่งเอาไว้แก้หวัดเสียวใครเคยเป็นไหม เวลาหวาดเสียวนะดูนิดหน่อยนะปิดตาไว้ข้างหนึ่งบางคนนะ่ะไม่มีอกุศลวิบากจะไม่ต้องเห็นนะไปเชงเอดูตรงที่รถชนกันไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่คนเยอะแยะเลยเห็นแต่รถยนตนะ์อีกคนหนึ่งมีอกุศลให้ผลนะกลัวไม่กล้าดูตรงที่รถชนหันวะ่นาฝั่งตรงข้ามมาอยู่ริมถนนเนะ่ ปรคกฏว่าเขาขนศพมาไว้ริมถนนและไปเห็นของไม่สวยไม่งามงั้นการที่เราจะเห็นของสวยของงามหรือของไม่สวยไม่งามไม่ได้เป็นตามที่อยากอย่างเดียวหรอกนะมันเป็นตามที่กรรมกําหนดด้วยมีกรรมที่ดีมันก็เห็นแต่ของที่ดีมีกรรมที่เลวมันก็ได้สัมผัสกับของที่เลวเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามอยากครกับแต่ความอยากมันมีแต่ว่ามันไม่ได้อย่างที่อยากหรอก มันเป็นไปตามกรรมนี่เราค่อยๆเรียนรู้ตัวเองนะค่อยๆเข้าใจไปแต่ขั้นแรกง่ายๆเลยก็คือจะอยากขึ้นมาเรารู้อยากเรารู้อยากดูก็รู้อยากฟังก็รู้อยากได้กลิ่นก็รู้อยากได้รสก็รู้อยากได้สัมผัสทางกายก็รู้อยากได้ธรรมอารมณ์อารมณ์ทางใจที่ถูกอกถูกใจก็รู้พอได้มาแล้วเนี่ยอยากรักษาไว้ก็รู้อยากให้หมดไปก็รู้นี่คอยรู้ไป เนยเฝารู้เฝ้าดูอย่างนี้บ่อยๆเรียกว่าเราสู้กับตัณหาด้วยสติทันทีที่เรารู้ว่าจิตอยากความอยากจะดับโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับมันมันดับของมันเองเพราะตัวความอยากนั้นมันเป็นตัวโลภะเป็นตัวโลภเป็นตัวกิเลสเป็นโลภะที่มีกําลังแรงนั่นเเป็นตัณหากลายเป็นตัณหาความอยาก ในทันทีที่เรามีสติรู้ทันใจที่อยากนะสติเกิดปุ๊บเนี่ยกิเลสมันทนสติไม่ได้ตัณหาความอยากมันจะดับอัตโนมัติไม่ต้องไปดับมันนะไม่ต้องหาวิธีต่อสู้กับมันนะอย่างที่ได้กลิ่นดอกไม้หอมมาไปตัดดอกไม้ทิ้งอะไรเงี้ยเหตุนั้นไม่ได้พ้นตัณหาหรอกนะทำตามแต่ทาตามในเชิงนิยมในเชิงปฏิเสธนะ เามีสติรู้ลงไปเท่านั้นใจมันอยากก็รู้อยากก็รู้นะความอยากจะดับอัตโนมัติเนี่ยขั้นตอนฝึกไปอย่างนี้แหละสู้มันด้วยสติต่อไปสู้ด้วยปัญญ า, นะ เ, าเห็นลึกซึ้งลงไปตรงนั้นเราเห็นปฏิจจสมบัตในขั้นละเอียดลงไปอีกพวกเราตอนนี้ยังไม่เห็นถ้าเห็นละเอียดลงไปเราจะรู้ในตัณหาเกิดจากอะไรนะตัณหามีได้เพราะอ ว, วิชชา ความไม่รู้แจ้งแทงตลอดในขัน5ห้าเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราก็เกิดความอยากให้ร่างกายมีความสุขเกิดความอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์เราไม่รู้แจ้งแทงตลอดว่าจิตนี้คือตัวทุกข์เราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราก็เลยเกิดความอยากอยากให้จิตมีความสุขอยากให้จิตไม่ทุกข์ มีความอยากเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์จิตนี้เป็นตัวทุกข์ความอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์มันจะไม่เกิดความอยากให้กาให้ใจเป็นสุขมันก็ไม่เกิดเพราะรู้ว่ามันคือตัวทุกข์ความอยากให้มันไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดนะเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์ความอยากให้มันสุขก็ไม่เกิดเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์นี่เรียกรู้ทุกข์ั้นการรู้ทุกข์นะี่สำคัญนะ แต่ขั้นแรกนี่รู้ใช้สติรู้ตัณหาไปก่อนแล้วต่อไปมันจะค่อยๆรู้ลึกซึ้งลงไปถึงต้นเหตุต้นเห ต, ต, เหตุที่ให้เกิดตัณหาคือตัววิชาการไม่รู้ความจริงในกายในใจของเราถ้าขุดค้นลงไปถึงจิตถึงใจนะเกิดปัญญาอย่างท่องแท้ขึ้มาปัญญาขั้นสูงตัวนี้เขาเรียกว่าวิชารู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์รู้ในอริยสัจสี่ เรีว่าวิชาเกิดวิชาตายถูกทำลายไปตัณหาจะไม่เกิดอีกอย่างถ้าเราภาวนาไปจนถึงวันหนึ่งนะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยปล่อยวางกายปล่อยวางจิตไปหมดแล้วไม่ได้ยึดถืออะไรเลยสักอย่างเดียวตัณหาจะไม่มีตัณหาจะไม่เกิดอีกไม่ต้องรักษาจิตใจให้มันพ้นจากตัณหาไม่มีตัณหามันสบายกว่ากันเยอะมันไม่มีงานที่ต้องทาอีกต่อไป พวกเรายัางไม่ได้พ้นจากอวิชชาเพราะฉะนั้นตัณหายังมีงานของเรายังมีมีสติรู้ตัณหาของเราไปเรื่อยแล้วต่อไปปัญญามันค่อยแทงตลอดลงไปถึงต้นเหตุของปัญหาจะไปล้างอวิชชาอันนั้นค่อยๆทําไปบางคนชาตินี้ก็จะทําได้บางคนชาตินี้ยังทําไม่ได้นะอีกสามชาติเจ็ดชาติทีนี้ทําได้บางคนอีกร้อยชาติพันชาติทีนี้ทําได้แล้วแต่ รรเรามีกรรมขนาดไหนเราทํากรรมฐานเนียเป็นเป็นยอดของกรรมเนะทํากรรมฐานที่ดีขึ้มาเนะี่ยได้มากได้ผลขึ้นมานะความเวียนว่ายของเราในวัฏฏะจะสั้นลงสั้นลงนะจนถึงจุดซึ่งมันรู้แจ้งแทงตลอดมันปล่อยวางจิตไปแล้วเนะี่ยมันหมดความดิ้นรนหมดความผิวโผล่ของจิตแล้วความเกิดใหม่จะไม่มีอีกต่อไป ในบางคนได้ยินว่าภาวนาเป็นพระอราหันต์แล้วไม่ได้เกิดเนี่ยตกใจกลัวเวลาด่ากันนักโกรธขึ้นมนก็แช่งอย่าให้มึงได้ผุดได้เกิดเลยเคยมีนะคนมันไปพรา ม, มไปด่าพระที่เจ้าสมณะโคดมไม่ผุดไม่เกิดท่านบอกใช่สมณะโคดมเป็นคนไม่มีรสชาติใช่เราไม่ติดในรสอะไรอย่างเงนี้ยด่าว่าไม่ผุดไม่เกิดก็ใช่ไม่เกิดอีกต่อไปแล้ว ไม่โกรธนะที่เขาด่าเขาด่านะกลายเป็นเรื่องความจริงทั้งหมดเลยมนุษย์ไม่ชอบความจริงนะเลยเอาความจริงมาเป็นคําด่าอย่างมาแช่งเราว่าอย่าพูดอย่าเกิดนะตายแล้วอย่าไปเกิดนะอะไรเงี้ยเราถือว่าด่าเพราะเรารักการเกิดแต่ถ้าเราภาวนาจนจาแจ้งนะใครมาบอกเราว่าอย่าพูดอย่าเกิดเลยนะเราจะดีใจนะเป็นคาพูดที่เป็นสิริมงคลมากเลยฟังแล้วได้กาลังใจเน้ย เนี่ยขั้นแรกเราก็ดูใจเราอยากอะไรขึ้นมาก็รู้อยากขึ้นมาก็รู้ไปฝึกให้ดีนะฝึกให้ดีแต่ก่อนจะเห็นตรงนี้ได้มีเงื่อนไขพื้นฐานถือศีลห้าไว้ศีลห้าพอแล้วไม่ต้องศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี 7, ส่สบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าข้อของพิษุณีอะไรเงี้ยไม่ต้องเอาศีลห้าข้อนั่นแหละพอแล้วรักษาศีลห้าไว้ ทุกวันทำในรูปแบบแบ่งเวลาไว้เลยต้องทำเจ็บป่วยลุกขึ้นเดินจงกรมอย่างที่ตั้งใจไว้ไม่ไหวแล้วก็นอนขยับตัวไปนะหลวงพ่อพุทธนะท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะเนี่ยได้ยินท่านเล่ามาเองเลยบอกพระนาปฏิบัติตั้งใจไวนะ้ทุกวันนะท่านจะต้องเดินจงกรมนี้ป่วยหนักลุกขึ้นเดินไม่ไหวแล้ว ท่านก็นอนพลิกไปพลิกมานะนอนพลิกตัวไปนะขยับตัวไปเรื่อยๆเจริญสตินะคนมาเห็นเข้าโอ้พระองค์นี้ภาวนาไม่เป็นเวลาจะตายแล้วดูกระสับกระส่ายใหญ่แล้วพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาที่จริงท่านภาวนาแต่ท่านลุกขึ้นเดินไม่ไหวท่านก็ขยับตัวขยับขยับขยับไปครูบาอาจารย์บอกว่าท่านพลนทุกข์ไปเลยตอนที่จะตาย ทำได้นะเนี่ยเราขอให้เราเด็ดเดี่ยวเท่านั้นน ะ, นะอีกองหนึ่งท่านเล่าหลวงพ่อพูดน่ะเล่าแต่เล่าถึงพระอีกองหนึ่งท่านรักษาข้อวัดนะตกบ่ายบ่ายสามโมงบ่ายอะไรเงี้ยลุขึ้นกวาดวัดทุกวันเลยกวาดวัดปัดกวาดนถนนรอบรวัดล้านวัดอะไรเงี้ยกวาดปัดกวาดสาราปัดกวาดกุฏิ ที่อยู่อาศัยทําความสะอาดท่านทําอย่างนี้มาตลอดชีวิตเลยนะจนแก่วันที่ป่วยหนักเนี่ยไม่สามารถจะลุกขึ้นได้นะนอนอยู่กับพื้นเนี่ยพระอื่นก็ไม่มีนะอยู่องเดียวยถึงเวลาที่ท่านต้องทําข้อวัดต้องปัดกวาดวัดเนี่ยเราท่านกาหนดจิตว่าท่านกําลังจะทําข้อวัดแล้วะท่านลุกไม่ได้นะท่านเอามือของท่านเนี่ยปาดข้างๆตัวท่าน ทำกำหนดจิตว่าเนี่ยกำลังเช็ดฝุ่นอยูนะ่เนี่ยนักปฏิบัติจริงๆนะ mm hmm. เข้มแข็งขนาด น, นี้นะแล้วท่านก็ได้ของดีของวิเศษกันนะนี่พวกเราอ้างโนนอางดีว่าวันนี้ทำงานมากแล้วเมื่อย น, ะนอนดีกว่าอนะไรเงี้ยแลยังมาบ่นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงทำแล้วไม่พ้นทุกข์มันะพ้นไม่ได้หรอกใจเรายังอ่อนแอเกินไป ทุกวันต้องทำในรูปแบบให้มันเด็ดเดียวลงไปนะไม่ยอมผลัดวันประกันพรุ่งเวลาที่เหลือจเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี้นะใจมันอยากขึ้นมาก็รู้ใจมันอยากขึ้นมาก็รู้อย่างวันนี้หลวงพ่อสอนให้ดูใจอยากนะที่จริงดูตัวอื่นก็ได้อย่างเราชี้โกรธเราดูโกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รูนะ้แต่ว่าไม่ว่าจะโกรธโอบหรือหลงอะไรนะ มันทํางานต่อมามันก็กลายเป็นอยากทางนั้นนะเมื่อเราดูใจที่อยากเรื่อยๆไปต่อไปสติปัญญาของเราเข้มแข็งขึ้นนะพอความอยากเกิดสติะระลึกรู้ปั๊บความอยากดับความดิ้นรนของจิตดับความทุกข์ที่จะต้องเกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนานไปนะจะเห็นเองว่าโอ้ใจมันจะอยากก็ห้ามมันไม่ได้นะจิตนี้มันเป็นอนัตตานะมันจะอยากก็ห้ามมันไม่ได้ เนี่ยรู้เข้ามาถึงความเป็นตรลักษณ์ของตัวขันห้าแนละ้วตัวจิตตัวใจอะไรเงี้ยตัวเนี้จะทํำลายเอาวิชาได้รู้ลึกลงมาถึงจิตถึงใจค่อยๆฝึกนะอย่ารีบร้อนวันนี้ยังไม่ต้องไปฝึกทําลายเอาวิชาหรอกฝึกมีตัณหาแล้วรู้ทันให้ได้สัก่อนทําตรงนี้ให้ได้สักก่อนนะก็จะไม่เสียชาติเกิดหรอก ที่เกิดมาเป็นชาวพุทธทั้งทีพอไหวไหมไม่ได้สอนอะไรเยอะเลยนะสอนให้ถือศีลห้าไว้สอนว่าทุกวันต้องทำในรูปแบบนะไหวพระสวดมนต์บ้างสมาธิเดินจงกลมอะไรก็ทำไปไม่ขี้เกียจไม่ผลัดวันประกันพรุ่งไม่อ่อนอแอท้อแท้เวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจวันนะตัวง่ายๆดูตัวอยากไปเรื่อยๆ จริงๆดูได้ทุกตัวเลยดูตัวเวทนาก็ได้นะตัวอยากเป็นตัวตัณหาอยูนะ่ในโลภะก็ได้ตัวอื่นก็ได้แต่หลวงพ่อสอนตัวเดียวก่อนเพราะเราคิดให้ตัวนั้นก็ได้ตัวนี้ก็ได้สุดท้ายไม่เอาสักตัวงนะเรื่องมากนนองก็จะรู้นี่ก็จะรู้สุดท้ายไม่รู้สักตวัวจับหลักไม่ได้สักทีให้มันเด่นเดียวลงไปสักตัวหนึ่ง จนะดูตัณหาก็ดูมันให้เด่นเดียวลงไปไมันเกิดเมื่อไหร่ก็รู้มันดับไปก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆมีตัณหาซ้อนตัณหาก็รู้อีกอย่างอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิน่นอยากได้รสนี่มีมตัณหาแล้วนะพอได้มาแล้วก็มีตัณหาซ้อนเข้าไปอีกนะอยากให้คงอยู่อยากให้ดับไปอนะไรเงีนะ้ยเฝ้ารู้เฝ้า ด, าดูไปเรื่อยเอาตัวเดียวก็พอแล้วภาวนานะ พอ ร, รู้ได้จำแจ้งตัวหนึ่งเนี่ยก็รู้ตัวอื่นหมดแล้วค่อยๆฝึกไปสุดท้ายมันจเข้ามาที่จิตที่ใจนะจะรู้เลยจิตมันจะมีตัณหาห้ามมันไม่ได้จนะเห็นนะจินเป็นอนัตตาสุดท้ายก็ปล่อยวางจิตปล่อยวางจิตได้ก็จะพ้นทุกขนะ์ก็จะมีขันห้าอยู่แต่จิตไม่ยึดถือถ้าไม่ยึดถือจิตจะไม่ยึดถือขันห้านะเพราะขันห้าเป็นผลผลิตของจิต นะจิตดวงเดียวนะั่นแหะสร้างขันห้าขึ้นมางั้นวางจิตตัวเดียวแล้ววางขันห้าทั้งหมดนะค่อยๆฝึกไปไม่ยากการคิดมากก็ยากนานคิดแต่ว่าจะฝึกยังไงดีไม่ลงมือดูสทัทีไม่ได้กินหรอกยิ่งพวกเขาวัดโน้นออกวัดนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้กินหรอกใจโลเลโลเลไปเรื่อยๆดูให้มันเดดเดี่ยวลงไป ใจมันอยากก็รู้ใจมันอยากก็รู้พอทำได้ไหมดูใจที่อยากเหนยากไปไหมไม่ยากหรอกไปหัดดูไปนะวันนี้สอควนเก็บเวลาหมายเลขสองค่ะเมื่อปลายเดือนกุมภามาอยู่วัดหลวงพ่อให้การบ้านว่ากลับไปทำเบสิคมากๆยังฟุ้งและสมาธิไม่พอหนูก็กลับไปขยันภาวนาตามที่หลวงพ่อบอก บางครั้งเวลาทำในรูปแบบจะรู้สึกทุกข์ผุดที่กลางอกเหมือนใจผลิตความทุกข์ขึ้นมาได้เองแต่หนูจะรู้สึกทนไม่ไหวและเปลี่ยนอารมณ์ไปทำอย่างอื่นแทนการภาวนาตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยพัฒนาใจชอบไหลไปรวมกับอารมณ์ไม่ตั้งมัน่น <c oughs> ขอหลวงพ่อแนะนำต่อด้วยค่ะเหมือนพัฒนาเยอะแล้วนะจากกุมภามาถึงตรงนี้ จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะแแล้วที่เล่ามาน้ําเล่าถูกแล้วนั่นน่ะนี่ตรงที่มันผุดขึ้นกลางอกเราเห็นแล้วทุกทนไม่ไหวนั้นเพราะสมาธิเราไม่พอนี่ถ้าเราเกิดรู้สึกทุกข์มากๆนันเราถ้ากลับไปทําสมถะพอมีแรงแล้วก็กลับมารู้ทุกข์ตอไปอีกจะหนีตลอดไม่ได้นะ่ะมันเหมือนการทําสงครามมันฆ่าสึกเข้มแข็งกว่าเราเราก็าถอยก่อนถอยไปไม่ใช่ถอยแพ้หนีไปเลย ถอยไปรวบรวมกาลังเราไปนักปฏิบัติเราก็ถอยไปทําสมาธิไปทําสมถะพอใจเรามีกําลังก็กลับมาสู้กับมนันี่มาดูถูกต่ออีกไม่ใช่หนีแพ้แล้วหนีแล้วหนีไปเลยนะหนีไปก็ทําสมถะแล้วกลับมาสู้ใหม่มาดูใหม่ยังไงก็หนีทุกไม่ได้หรอกเขาขันห้ามเป็นตัวทุกไม่เห็นทุกก็ไม่เห็นทำหรอกะ ครูบาอาจารย์บางองนะท่านดู ก, กายของท่านเนี่ยไอ้กรท่านกายนี่มันทุกเหมือนผู้เขาลงมาขยี้เลยเหมือนผู้เขาลงมาบดนะทับทับทับเนะมันทุกขนาดนั้นนะท่านไม่ถอยนะจิต ท, ท, ท่านทรงสมาธิเข้มแข็งมันไม่ถอยนะท่านไม่ตายกิเลส ต, ตายเนะียบางองค์ก็ดูจิตดูใจนะเห็นจิตนี่มันทุกข์จริงๆนะเหมือนะนผู้เขาลงมาขยี้เลยนะท่านไม่ถอยนะนดู สุดท้ายกิเลก็ตายเหมือนกันงั้นเวลาเห็นทุกอยากกลัวสู้ไม่ได้ถอยมาตั้งหลักให้ทำสมถะมีแรงแล้วไปสู้ใหม่ไปดูไปดูใหม่เห็นก็เห็นมันหายไปแล้วก็แล้วไปไม่ต้องไปเที่ยวหามันงั้นปฏิบัติไปใหม่เลกเจ็ดค่ะเพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกค่ะ ภาวนาในรูปแบบวันละส0สิบนาที mm hmm. เผลอคิดบ่อยมาก mm hmm. บางทีเกือบจะตลอดเวลา mm hmm. แต่รู้ตัวทุกครั้งและกลับมาอยู่ที่วิหารธรรมคือ mm hmm. กายทั้งกาย mm hmm. บางทีก็รู้แค่อย่างเดียวเช่นเท้ากระทบพื้นบางทีรู้หลายอย่างพร้อมกันเช่นเท้าและมือที่เคลื่อนไหวการกระพริบตา mm hmm. และบางทีจะรู้กายไม่ชัดเลยรู้เพียงการเผลอคิดของจิต ปัญหาคือที่ผ่านมารู้สึกภาวนาแล้วเบื่อไม่อยากภาวนา อ, อยากให้จบไวๆเลยไม่แน่ใจว่าทําผิดหรือไม่ขอหลวงพ่อเมตตาชี้นําด้วยค่ะทําไม่ผิดหรอกภาวนาถูกแล้วมันจะเบื่อนะมันจะเห็นนะอะไรๆก็ไม่มีสาระสักอย่างหนึ่งโลกนี้ก็ไม่มีสาระกายนี้ก็มีสาระจิตก็ไม่มีสาระนะไม่ได้เบื่อ เบื่อทนไม่ไหวก็ทําความสงบเข้ามาใจมีแรงแล้วกลับไปดูอีก ม, มันเป็นเส้นทางผ่านมจะ เ, เห็นพราะเห็นตามความเป็นจริงชึงเบื่อหนเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจันทร์คือการประพฤติปฏิบัติทำทาเสร็จแล้วกิจที่ควรทาเสร็จหมดละ ไม่มีอะไรต้องทําอีกเนี่ยมันรู้ด้วยตัวเองนะงั้นตอนนี้เราก็เริ่มได้ดีแล้วเราเห็นกายเห็นใจของเราไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกน่าเบื่อแล้วเวลาเบื่อกายเบื่อใจเนี่ยมันเบื่อโลกทั้งโลกด้วยนะไม่ใช่ว่าเบื่อการภาวนาแล้วก็อยากไปเที่ยวอะไนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นิพิทาแต่ถ้าเราภาวนาไปเห็นทุกอย่างเนี่ยไร้สาระ โลกนี้น่าเบือ่อกายนี้ก็น่าเบือ่อจิตนี้ก็น่าเบือ่อเยน้สีเป็นนิพพิธาค่อยๆฝึกไปนะมันเป็นทางผ่านต้องผ่านทุกคนแหละหมายเลขสิบค่ะตั้งแต่ไปเข้าคอร์สจิตที่เคยเพ่งก็น้อยลงจิตเคลื่อนได้มากขึ้นทุกวันเดินจงกรมประมาณหนึ่งชั่วโมงแล ะ, จะเจริญสติระหว่างวัน แต่จิตยังฟุ้งซ่านและขี้โมโหอยู่มากค่ะกลางคืนบางคืนจิตก็สดชื่นไม่ค่อยหลับบางวันก็มีการไหวกลางอกบ้างเล็กน้อยค่ะและขอทราบว่าเราจะอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนได้อย่างไรขอความการุณาหลวงพ่อว่าควรจะทำอย่างไรต่อคะที่ทำอยู่ก็ถูกแล้วนะแต่ถ้าอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บเนะียดูลงไป ร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดก็ส่วนหนึ่งจิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันคนละส่วนกันโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะมันเบียดเบียนอยู่ที่ร่างกายได้แต่มันเบียดเบียนจิตใจไม่ได้จิตใจเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะตัวตันหาอย่างร่างกายเป็นเจ็บป่วยเราอยากให้มันหายเนะี่ยจิตมันถึงจะทุกข์นะถ้าจิตไม่มีตัหาผลักดันนะจิตไม่ทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายเท่านั้น งั้นเราพยายามดูไปเรื่อยๆนะร่างกายมันป่วยใจไม่ได้ป่วยดูไปอย่างนี้นะต่อไปก็อยู่กับมันได้วันนี้หมอนะ้ามาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่ามันมีก้อนมีอะไรขึ้นที่ปอดอีกละเคยผ่าเคยอะไรมาแล้วมันขึ้นอีกหนะลวงพ่อก็บอกว่าหายใจไว้นะหายใจไว้ ใจสบายใจมันสว่างสบายเนี่ยนะระลึกถึงไอ้ตรงที่มันเจ็บป่วยนะด้วยใจที่สว่างด้วยใจที่สบายมันคล้ายๆเราใช้เอกสเสลย์ใช้ลังสีนะแต่มันเป็นรังสีของจิตมันก็ค่อยๆดูไปนะพอใจมันจะฟุ้งขึ้นมาเราก็ลกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราใหม่จิตใจสบายดีแล้วอย่าไปอยากหายป่วยนะ อยากหายป่วยไม่ไม่สงบหรอกป่วยก็ป่วยไปเราอย่าหายใจแล้วเราบูชาพระพุทธเจ้าปฏิบัติหายใจไปพระใจมันสงบใจมันสว่างขึ้นมานี่นึกถึงแค่นึกถึงตรงที่มันเจ็บป่วยแค่นึกถึงนะอย่าไปเพ่งใส่มันนะเพ่งใส่มันเดี๋ยวพลังจิตแรงยิ่งบอบช้าหนักข้อีกนะแค่รารึกรู้ถึงตรงจุดที่มันเจ็บป่วย หายก็หายไม่หายก็ช่างดูสักพักหนึ่งนะถ้ากลับมาทำสมาธิต่ตอก็ฝนะึกไปเรื่อยเรื่อยเล่นไปเรื่อยเ่ยเรียนอย่างเนี้ยง่ายๆใช้ได้อุปจราระก็พอละนะ mm hmm. คุณก็ไปดูนะกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งไปดูเอาเอาต่อไปหมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะ ขอถวายการปฏิบตัติขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อขอโอกาสถามครับว่าการที่มีวิปัสสุปกิเลสยังมีตัวเราอยู่ถ้าจะทำเหตุเพิ่มคือทำในรูปแบบเพิ่มขึ้นดูกายใจให้มากที่สุดใช่ไหมครับขอหลวงพ่อเมตตาวิปัสสุนี่มันเกิดจาก ระหว่างที่เราทำวิปัสนาดูกายใจเกิดดับเนี่ยแล้วสมาธิไม่พอนะเพราะั้นถ้าจะพ้นจากวิปัสนูเนี่ยทำสมถะว่าใจมันสงบมีกำลังขึ้นมาม่นจะพ้นจากวิปัสนูแล้วก็ใช้ใจที่สงบแล้วเนี่ยไปเจริญปัญญาต่อ น, น, นี่เจริญปัญญาถูกต้องจะเกิดวิปัสนูขึ้นมาตรงที่สมาธิมันตกการเดินปัญญานั้น มันใช้พลังของจิตม้นใช้พลังของจิตไปช่วงหนึ่งพลังของจิตมันตกเราต้องทำสมถะถ้าเรายัางฝืนจเจริญวิปัสนาไปเรื่อยมันจะกลายเป็นวิปัสโนไปกเลสแทรกเข้ามาเหมือนตัววิปัสโนเนี่ยเราสู้ด้วยสมถะนะไม่ใช่สู้ด้วยวิปัสนาพอใจเรามีสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยย้อนกลับไปดูอารมณ์กรรมฐานของเราต่อ มันข้ามมีปสนูไปได้ไม่ต้องกลัวต้องเจอทุกคนแหละอย่าคิดเยอะนะอย่าคิดเยอะว่าทำยังไงจะดีกว่านี้ทำยังไงจะถูกแค่ว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันไปเลยมันเป็นยังไงกายมันเป็นยังไงรู้จิตมันเป็นยังไงก็รูนะ้อย่าทำด้วยความอยากเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะแต่อย่าเจออยากลงไปเยอะเกินไป แล้วพะสมาธิมันตกเนะี่ยทีมีปัจจุมีทั้งสิบชนิดนะที่สว่างว่างไปหมดเลยทนะั้งโลกธาตุเนี่ยสว่างใจก็สงบสบายมีแต่ความสุขอยู่นั้นนะอยู่ได้เป็นเดือนอยู่ได้เป็นปีเลยนะมันก็ไม่ใช่มันทีสติเข้มแข็งนะมองอะไรลงไปเนี่ยมองอากาศเนี่ยเห็นอากาศเป็นเม็ดเม็ดเลยเห็นเป็นอนุเป็นเม็ดเม็ดเลยนะอันนี้ก็เกินไป ก็เป็นวิปัสสุณะดันั้นเราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราอย่าทิ้งสมถะกรรมฐานถ้าสมถะเราไม่พอสมาธิไม่พอมิปัสสุณูจะเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่เฉลียวใจไม่มีโยนิโสมนสิการไม่มีกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์บอกเราอาจจะหลงผิดติดอยู่ตรงนี้นานๆหลายๆปีเลยบางคนติดทั้งชาติเลย งั้นภาวนาอย่ารีบร้อนภาวนาไปเรื่อยๆคอยรู้คอยดูอย่างที่มันเป็นแล้วถ้าเกิดอะไรแปลกๆขึ้นมาไว้ใจไม่ได้นะกลับมาทำสมถะในวิปัสสนุมจะดับไปเองอต่อไปใมายเลขสามสิบสามค่ะส่งการบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูละทุกข์ให้กล้ากล้ารู้ทุก์ หนูก็ไปเรียนรู้หัดดูกายใจตัวเองเห็นกิเลสบ่อยขึ้นเพระเวลาอารมณ์แรงๆจะเห็นใจดิ้นๆทั้งสุขทุกข์ก็ดิ้นเหมือนๆกันหลวงพ่อให้ไปดูจิตไหลให้รู้อตอนนี้ก็ฝึกอยู่กับเครื่องอยู่ขอให้หลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยค่ะที่หนูทำอยู่ถูกแล้วนะทำต่อไปนะจิต ก็มีความตั้งมั่นเยอะขึ้นแล้วล่ะแต่กําลังมันยังไม่ค่อยพอแล้วฝึกสม่ําเสมอพลังมันจะมากขึ้นวันนี้รู้สึกไหมใจมันยังไม่ค่อยมีแรงพอทําบ่อยๆเดี๋ยวมันก็มีกําลังขึ้นมาสงสัยรู้ไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยเนื้อรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงรู้มันไปเรื่อยๆของชายหนุ่มแต่เกียรที่เพิ่งส่งกันบ้านนะ อย่านั่งเพ่งเอานะการทำสมาธิไม่ใช่การนั่งเพ่งจนมันแข็งกระด้างทื่อๆแบบนี้นะการทำสมาธินี่คือการน้อมใจไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขรู้ไปสบายๆแล้วใจมันสงบเองนะถ้าจงใจทำจะแข็งๆนะั่นไม่ใช่นะเดีย๋ยวทำสมาธิผิดองหนูจิตหลงไปคิดรู้ไหมนะฝึก อ, อย่างนี้นะฝึกได้ดีแล้วละ ทำให้ไปเรื่อยๆทำให้สม่ำเสมอกำลังมันมากกว่านี้นะมันก็จะก้าวหน้ากว่านี้ทำได้ดีแล้วละหมายเลขส8ค่ะใช้รูปแบบโดยการเดินจงกรมมีพุทโธเป็นวิหารธรรมการบ้านรอบก่อนให้หนูไปดูกิเลสเห็นกิเลสมากขึ้นแต่ใจยังไม่เป็นกลางเห็นทุกข์แต่ใจยังอยากหนีอยู่ บางครั้งจิตมีพลังบางครั้งเสื่อมขอาการบ้านค่ะการบ้านก็คือสิ่งที่หลวงพ่อสอนตะกี้นั่นแหละมันตอบคําถามเราทั้งหมดแล้วแหละมันอยากโน้นอยากนี้ไปเรื่อยนะรู้ทันอย่างนั้นแหละอย่าไปเพ่งไว้อย่าไปรักษาไว้ที่เพ่งไว้ที่รักษาไว้เพราะอยากดีใช่ไหมมันมีอยากซ่อนอยู่เคยรู้ทันใจที่อยากเรื่อยๆไปนะเดี๋ยวก็ดีเองแหละ หมายเลขห้าสิบเจ็ดค่ะมีปัญหาครอบครัวเข้ามาพร้อมกันจึงใช้ประโยคที่หลวงพ่อสอนว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแต่จิตไม่เป็นกลางเหมือนจิตไม่เข้าใจกับความเป็นกลางเห็นแต่ความทุรนทุราย อ, อยากผลักใส่ความถูกออกไปค่ะ ไม่สามารถดูต่อได้จึงต้องเปลี่ยนกิจกรรมทำงานบ้านเพื่อให้จิตสนใจอย่างอื่นแทนค่ะแล้วกลับมาดูสภาวะใหม่เห็นความเข้มข้นของความทุกข์น้อยลงค่ะ หลวงพ่อเมตตาชี้แนะลูกด้วยค่ะการที่ลูกเข้าไปวุ่นวายช่วยเหลือกับโลกภายนอกมากๆเหมือนมีกระแสบางอย่างทำให้ลูกหมดพลังในวันนั้นนั้นและไม่มีแรงปฏิบัติค่ะลูกควรจะปฏิบัติตนเช่นไรคะถ้าไม่เข้าไปช่วยเหลือสุดกําลังลูกก็กลัวว่าลูกยังกระตันยู่ไม่มากพอค่ะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะใครก็ไปฝืนไม่ได้หรอก ช่วยเท่าที่ช่วยได้เมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่เข้าใจตรงนี้นะตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆหลวงพ่อเห็นญาติโยมมาสงสารอยากให้เขาภาวนาเป็นหลวงพ่อทุ่มเทพลังในการสอนเนะี่ยสอนจนกระทั่งตัวเองหมดแรงทุกวันเลยนะลงไปนอนแผ่เลยนะอยากให้เขาดีอยากให้เขาดีมันอยากแล้วเราไม่เห็นนะสุดท้ายวันหนึ่งปัญญามันเกิดนะเราเห็นนะเขาดีตอนที่อยู่กับเราอ่ะ พอคล้อยหลังเราไปเขาก็ไม่ดีอย่างที่อยู่กับเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนัการที่เราจะช่วยคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเราสําเร็จอย่างที่ใจเราต้องการหรอกนะสัตว์โลกมันมีกรรมของตัวเองช่วยเท่าที่ช่วยได้ช่วยแล้วตัวเองอย่าทุกข์ไปด้วยอย่างเวลาคนหนึ่งเขาทุกข์เราอยากจะช่วยองี้แต่ช่วยไปช่วยมาแล้วเราทุกข์อีกคนหนึ่งนะเรียกว่าขัดทุนเลยนะไม่มีอะไรดีขึ้นมาสัอย่างนึ่ง ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะไม่ใช่ช่วยเท่าที่อยากเพราะความอยากเราไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแล้วคนแต่ละคนเนะี่ยเราช่วยเท่าไหร่มันก็ไม่จบหรอกนะช่วยอย่างนี้เดี๋ยวมก็ไปก่อเรื่องอย่างโน้นต่ออนะไรไม่รู้จักจบจักสิ้นหรอกก็ต้องเขาก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าถ้าเขาทำสิ่งที่เป็นอกุศลนะผลที่ได้รับเนะี่ยต้องถูกแน่นอนค่อยๆดูค่อยๆไปสังเกตเตือนได้ก็เตือน เตือนไม่ได้ก็ปล่อยช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็แล้วไปเหมือนอย่างคนตกน้ําเงี้ยเราจะช่วยเขาช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ยืนดูเขาจมน้ําไปไม่รู้จะทำํำยังไงแล้วไม่มีคนอื่นด้วยหาไม้สักท่อนหนึ่งจะโยนให้เขาก็ไม่มีเราก็ว่ายน้ําไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่โดดลงไปตายอีกคนหนึ่งเวลาช่วยทางบ้านเกาเหมือนกันนะไม่ใช่ตายไปอีกคนหนึ่ง เมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักคนครอบครัวหนึ่งนะน้องชายไปทําธุรกิจเนยะทําอะไรก็ขาดทุนตลอดเลยญนะาติญาติพี่น้องเนี่ยทุ่มเงินลงไปช่วยเพื่อจะรักษาธุรกิจตัวนี้ไว้ทุ่มลงไปมหาศาลเลยนะไม่รู้ว่ากี่สิบกี่ร้อยล้านถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนช่วยเกิดความยั้งชิดขึ้นมาถ้าคืนช่วยอย่างนี้ต่อไปเนะ่ ก็จะล้มละลายทั้งตระกูลเขาไม่ช่วยนะให้น้องชายเขาล้มละลายแล้วเขาเลี้ยงนี่ช่วยอย่างนี้ยังได้ประโยชน์มากกว่าอีกงั้นเวลาเราช่วยใครเราต้องดูตัวเองนะว่ามีกำลังแค่ไหนต้องช่วยตัวเองให้ได้ถึงจะช่วยคนอื่นได้ตัวเองช่วยไม่ได้ไปช่วยใครมันมีแต่เพิ่มคนที่เป็นทุกข์มากขึ้นเพิ่มคนที่จะตายมากขึ้น ไม่ใช่อย่างที่อยากนะดูความเป็นไปได้หมายเลขหกสิบสองคนสุดท้ายค่ะผมไม่สามารถเห็นสภาวะที่ไม่ตั้งมั่นได้แต่ก่อนเคยรู้สึกตัวได้แต่ปัจจุบันไม่ค่อยรู้สึกตัวอยากทราบแนวทางการปฏิบัติอย่าไปดูสภาวะที่ตั้งมั่นอย่าไปพยายามทำจิตให้ตั้งมั่น ให้ทำกรรมฐานอันหนึ่งไว้เป็นเครื่องอยู่เล่นๆที่อยู่สบายของจิตแล้วพอจิตมันหลงไปมันไม่ตั้งมั่นให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจำได้ไหมีทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นพุโทโธพุโทโธไปจิตมันหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วก็ช่างมันกลับมาอยู่กับพุโทโธใหม่แล้วมันหนีไปคิดอีกก็รู้อีกแล้วตรงที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดนะมันจะเกิดจิตตั้งมั่น เกิดจิตตั้งมั่นเล็กๆขึ้นมานะสั้นนิดเดียวแต่ว่าพอหลงรอรู้หลงแล้วรู้บ่อยๆต่อไปเลยความตั้งมั่นมันจะเกิดขึ้นถีขึ้นถีขึ้นนะมันเหมือนมันตั้งอยู่ได้นานอยู่ๆตอนนี้เราจะไปดูจิตที่ตั้งมันนะ่นเนี่ยมันไม่มีให้ดูทำไมไม่มีให้ดูเพราะทันทีที่อยากจะดูจิตที่ตั้งมันนะ่นจิตก็ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตเคลื่อนออกไปดูแล้วม่จะดูอะไรดี เพราะนมันไม่มีจิตตั้งมั่นให้ดูดูยังไงก็ไม่เห็นเราั้นให้เรารู้สิ่งที่มันมีจริงสิ่งที่มีจริงคือจิตที่ไหลไปไหลมาทันทีถ้เาเรารู้ว่าจิตที่มันไหลไปนะจิตที่ไหลจะดับแล้วจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเองจับหลักให้ดีนะไปทำจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้นะเพราะจิตเป็นอนัตตาสั่งให้ตั้งมั่นไม่ได้หรอกแค่รู้ทันว่ามันไหลแล้วมันตั้งของมันเองรู้ที่ผิดแล้วมันถูกเอง เพราะมันไม่ผิดหมดแล้วหรือหายสงสัยหรือยังยังยังเหรอยังยังยังพูดก็ไม่ได้ <c oughs> ออกมานี่มาคนอื่นจิตออกนอกไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของชาวบ้านซนสนสนใจสนใจอ๋อ เคยภาวนาได้ค่ะแต่ว่าล้มเหลวไปที่เคยภาวนาได้เห็นสภาวะได้น sure> ั้นเห็นจริงหรือไม่คะเห็นจริงแล้วตอนนี้ก็ไม่เรียกว่าล้มเหลวนะสีที่เป็นอยู่ตรงนี้ไม่ได้จัดว่าล้มเหลวจิตยังมีพลังอยู่แล้วก็จิตมันเดินปัญญาเห็นจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมามันไม่ได้ไปอยู่นิ่งเฉย มันจเจริญขึ้นนะไม่ใช่มันเสื่อมลงถ้ามันนิ่งเฉยจ้องนิ่งๆอยู่ใช้ไม่ได้หรอกที่เคยภาวนาไปจะสูญเปล่าหรือไม่คะไม่สูญเปล่ามันเราถึงได้เป็นอย่างนี้ไงได้สิ่งที่กําลังเป็นอยู่เนี้ยเกิดจากการภาวนานะใจเรามีพลังใจเราตั้งมั่นนะเราอย่าไปตั้งเฉยๆว่าใจมันตั้งมั่นอย่างนี้ เราก็ดูกายเหมือนดูคนอื่นดูใจเหมือนดูคนอื่นไม่ใช่ดูเราหวังว่าจะได้น้นได้นี้ใจมันมีพลังนะใช้ได้ไม่ใช่ว่าเสียหายอะไรตอนหลวงพ่อเจ็ดขวบนะหลวงพ่อพระภาวนาทมอานาปณสสติทำสมาธิทำแล้วก็ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นไม่รู้วิธีปฏิบัต ก็ทำสมถาอยู่ยี่สิบสองปีมาเจอหลวงพูดลหลวงพูดวลสอนให้ดูจิตหลวงพ่อก็ดูไปเลยมันก้าวหน้าเห็นๆนะหลวงพ่อก็รู้สึกดูถูกการปฏิบัติที่ผ่านมาว่าทำให้เราเสียเวลานี่จิตมันมีพลังอยู่สองปีสมถะยี่สิบสองปีนะไม่ใช้ได้สองปีหมดพลังจิตไม่ถึงฐานแล้ว มิเชลหลวงตามหาบัวท่านแก้ให้จิตกลับมาตั้งมั่นใหม่ได้รู้เลยว่าที่เราทำมาแต่เด็กที่เราคิดว่าสวนเปล่านั้นไม่ได้สวนเปล่าหรอกมันเป็นพลังที่ทำให้เราก้าวเดินต่อไปเมื่อเราอย่าไปดูถูกการฝึกสมาธินะจำเป็นสิ่งที่เราทำมาในอดีตนยส่งผลมาให้เราเป็นอย่างในปัจจุบันนี่จากปัจจุบันนี้เราจะต่อยอดอยางไง ปัญหาอยู่ตรงนี้ทั้งหกักไม่ใช่ไปคล่ำครวญว่าเสียไปเวลาที่ทํามาเสียเปล่าไม่เสียกรรมมีผลตั้งสิ้นแหละหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือใช้จิตที่มันตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปเจริญปัญญาดูกายเหมือนดูคนอื่นดูใจเหมือนใจคนอื่นดูไปเรื่อยๆสุดท้ายจะเห็นความจริงกายนี้มันไม่ใช่เราหรอกเว้ยใจมันก็ไม่ใช่เราเว้ยมันจะเห็นอย่างนี้ ค่อยๆฝึกไปเชิญกลับบ้าน